สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่43นะครับแผนการนิรันต์แผนการนิรันต์ น, น, น, นั้นก็จะเป็นแผนการแห่งความรอดครับจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับที่เราได้เรียนรู้มานะครับที่ผ่านมานั้นเราจะพบว่าแผนการนิรันต์นั้นเป็นแผนการของชีวิตนิรันต์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นแผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้านั้นได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เจ้าของพวกเรามาตายแทนพวกเราและเปิดทางแห่งความรอดก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นมนุษย์และของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั้นคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์แต่ของขวัญต่อมาที่พระเยซูทรงให้กับเรานั้นก็คือความรอดอันเกิดจากการสิ้นพชนของพระองค์แผนการของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ปรารถนา ที่จะให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้รับแผนการนิรันดร์และรับชีวิตนิรันดร์โดยวางแผนในความรอดคือพระเยซูนั้นจะส่องสิ้นพระชนบนไม้กังเขนเพื่อทุกคนที่วางใจในการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดนั้นจะไม่พินาศและมีชีวิตอยู่มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์พี่น้องครับคนที่ประพฤติชอบก็มาถึงความสว่างพระเยซูเปรียบเสมือนกับเป็น ผู้ที่ดึงดูดเราทั้งหลายให้มารู้จักกับพระบิดาพระเยซูบอกว่าถ้าพวกเราเห็นพระเยซูก็เท่ากับเห็นพระบิดาแสดงว่าเราเห็นพระเยซูได้อย่างไรแสดงว่าเราเห็นพระเยซูจริงๆไม่ได้แต่เราเห็นพระเยซูผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางโพชนะของพระเจ้าครับพี่น้องครับโพชนะพระเจ้าสามตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงแผนการแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนการอิรัน โรมบทที่สามข้อยีิบสามเพราะว่าทุกคนทาบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่สามข้อยี่บสามนี้อธิบายว่าไม่มีสักคนเดียวที่ไม่มีบาปและไม่ทาบาปและไม่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านั่นหมายความว่าเสื่อมจากพระฉายาของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขานั้นก็เสื่อมลงเสื่อมลงถูกปิดและบทบังเสียไม่ให้ พระฉายของพระเจ้านั้นฉายแสงสว่างออกมาทำให้มนุษย์ทาหม่นหมองชีวิตของมนุษย์ก็มืดมนเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและทำบาปในกิจการบทรที่สามข้อสิบเก้าได้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและสับย์สินใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียนั่นคือจุดเริ่มของแผนการดิรันขององค์พระวิญ้าก็คือจะต้องเสียใจ กับความบาปเสียใจกับการเป็นคนบาปของตัวเองหันหลังกลับและตัดสินใจนั่นก็คือการกลับใจใหม่ครับเพื่อรอคอยการลบล้างความผิดความบาปจากพระเจ้าของเราพระคัมภีร์เตือนสอนให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทั้งก่อนเป็นคริสเตียนและหลังเป็นคริสเตียนจะต้องมีอุปนิสัยที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความพร้อม ที่จะกลับใจใหม่หรือการกลับใจใหม่นั่นเองพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานสักกี่สิบปีก็ตามหรือเราจะเป็นผู้ที่กำลังจะรับเชื่อในองค์พระวิญญาณสิ่งที่สำคัญอุปนิสัยที่จำเป็นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออุปนิสัยแห่งการกลับใจใหม่ครับท่าทีแห่งการกลับใจใหม่อันเกิดจากท่าทีที่ถ่อมใจ ยอมรับว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นคนบาปและไม่สามารถจะเกียรกายจากหลุมของความบาปได้กับดักของความบาปได้พรงภี่ตอนหนึ่งครับกิจการบทที่สี่ข้อสิบและสิบสองทั้งหลายจงทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตซึ่งทั้งหลายตรึงไว้ที่กางเขนแม้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงโปรดให้คืนพระชน ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญสองประเด็นด้วยกันก็คือพระนามของพระเยซูชาวนาสเลตผู้ถูกตึงบนกางเขนนั้นพระเจ้าได้โปรดให้คืนพระชนและในพระนามนั้นประเด็นต่อไปครับก็ ทำให้เราทั้งหลายรอดได้นะครับและไม่มีนามอื่นเลยเพราะเนื่องจากว่าในผู้อื่นหรือในน้มอื่นไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถทำให้เราทั้งหลายรอดได้ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้มอื่นซึ่งให้ทั้งหลายรอดนั้นไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วไต้ฟ้านั่นหมายความว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ําไทยของพระเจ้าที่จะให้ พระเยซูนั้นทรงเป็นทางเดียวที่จะนำมนุษย์ไปถึงความรอดได้ถ้าหากว่าพระกรัรมภีไม่จริงเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อเพิ่งอะไรได้อีกแล้วคดีศาสนาจะล่มสลายความเชื่อของเราจะล่มสลายแล้วทั้งหลายจะกลายเป็นคนที่น่าสังเวชน่าสมเพช ท, ที่สุดเพราะเหตุใดครับเพราะเหตุที่ว่ากรัรมพีเชื่อไม่ได้พี่น้องครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพระกรัรมภีนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้า ทรงพลานุภาพอยู่เสมอเปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่จะแทงทะลุเข้าไปในจิตใจเข้าไปแม้กระทั่งไขในกระดูกส่วนลึกที่สุดของชีวิตของมนุษย์และโพงมันขึ้นมาวินิจฉัยว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งไหนมาจากแรงจูงใจทัศนคติและลึกๆภายในใจของมนุษย์นั้นก็สามารถวินิจฉัยวิเคราะห์ อ, ออกมาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ที่น้องครับให้เราวางใจในพระเจ้าของพระเจ้าในขณะเดียวกันเราต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและคําสั่งของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังเสมอเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าในวันนี้แผนการนิรันดร์ของพระเจ้าจะสามารถสรุปออกมาว่าเป็นขนทางแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นมัชหรือเป็นมันคาของชีวิตนิรันดร์ที่จะนําคนที่เดินสู่มันคานี้ ให้ไปถึงเป้าหมายนิรันดร์ของพระเจ้าเป็นแผนการนิรันดร์เป็นแผนแห่งความรอดของพระเจ้าที่เตรียมไว้ผมจะขอสรุปสั้นๆสี่ประการด้วยกันนั่นก็คือแพ็กเกจแห่งความรอดแพ็กเกจแห่งความรอดประการแรกก็คือเราทั้งหลายจะต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่เสมอเราทั้งหลายต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ repent ก็คือกลับใจใหม่ครับ repent แต่ว่ากลับใจใหม่ เพราะฉะนั้นจะต้องมีตัว repent ก็คือการกลับใจใหม่เป็นอุบัิิไยแรกของคริสเตียนประการที่สองแผนการแห่งความรอดนั้นซึ่งเป็นแพ็กเกจประการที่สองก็คือเขาจะต้องสารภาพบาปและทูลขอการอาภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องก้มศีรษะลงและก็อธิษฐานปา ก, กับใจตรงกันพูดกับพระเจ้าว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นขอสารภาพว่า มันไม่ดีขอกับผ้าทีที่กลับใจใหม่ทำให้มนุษย์ต้องสารภาพและต้องทูลขอการอภัยจากองค์พุทธเจ้าไม่มีใครใโลกนี้ไม่มีนามอื่นในโลกนี้ที่จะให้อภัยความบาปเราได้ประการที่สามครับต้องเปิดใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดพูดซ้มอีกครั้งนะครับต้องเปิดใจ ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพูดง่ายๆก็คืออัญเชิญพระเยซูมาประทับอยู่หลังจากที่สารภาพบาปแล้วพระเจ้าไม่ทรงถือโทษพระเจ้ายกโทษบาปบ้านในหัวใจของเราหัวใจของเราเปรียนสมอนกับเป็นบ้านได้ถูกชำระออกไปแล้วโดวยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่หลั่งไหลไม่งเขนมีผล สืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงทุกวนันนี้และในอนาคตต่อไปเป็นนิดแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบ้านของเราได้รับการชำระล้างเราต้องเชิญเจ้าของบ้านใหม่ให้เข้ามาประทับในชีวิตใหม่ของเราก็คือองค์พยสศพองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลายประการสุดท้ายครับหัวข้อที่สี่ประการที่สี่ก็คือเราจะต้องตัดสินใจครับตั้งใจครับ ที่จะติดตามพระเยซูตลอดไปตัดสินใจตั้งใจติดตามตลอดไปติดตามพระเยซูตลอดไปสี่อนะครับตัดสินใจตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดไปนี่คือการปรนนตัวของคริสเตียนเพราะฉะนั้นแพ็กเกจนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งสีข้อนี้จําเป็นในการดําเนินชีวิต ของคริสเตียนที่จะเข้าสู่การบังเกิดใหม่ครั บ, รบที่จะเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ที่จะเข้าสู่แผนการนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือแผนการแห่งความรอดเสมออาเมน